พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าเป็นสวากขาโตภกวตาธมโมคือเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าตรัสไว้ชอบแล้วก็คือเป็นความจริงทุกประการเช่น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 ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องสะละรถทั้งปวงไปเราเคยเสพเคยสัมผัสกับรถของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเราก็ต้องสะละสิ่งเหล่านี้ไปรถเหล่านี้ไปถ้าเราอยากได้รถแห่งธรรม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 เสียงกิ่นลดพลทพะไปเราไม่สามารถที่จะเอาทั้งสองอย่างได้แล้วถ้าปฏิบัติไปแล้วได้รับผลแล้วก็จะไม่เสียดายลดของรูปเสียงกิ่นลดพลทพะเลยแต่ในเบื้องต้นนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นเพราะ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 เวลานั้นจะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจจึงเป็นการยากของผู้ที่ยังติดอยู่กับรถของรูปเสียงกลิ่นรสถ้าพะที่จะสละเพื่อที่จะได้มาพบกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี่คืออบพภสสัพ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 รถแห่งธรรมถ้าอยากจะได้รถแห่งธรรมเราก็ต้องสละรถทั้งปวงไปต้องมาถือศีลบวชกันเจริญเนคข ม, มะบามีการเจริญเนคข ม, มะบาลมีหรือถือศีลบวชคือศีลแปดศีลอุโบสถนี้ก็เป็นการเทชา ที่อยู่ในถ้วยนี้ทิ้งไปชาเก่าเพื่อที่เราจะได้มีที่ไว้สาหรับเทชาใหม่เข้ามาเช่นรดของความสุขรดที่เราได้รับจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นดที่เราได้รับจากการรับประทานอาหารตามความอยากตามความต้องการลดที่ได้รับจากการเสพพวก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 อยากจะดื่มเมื่อไรอยากจะรับประทานเมื่อไรตามความอยากก็ดื่มได้รับประทานได้ต้องสละรสเหล่านี้ไปต้องสละรดของการเสริมสวยเสริมความงามของร่างกายแล้วก็ต้องสละรดของความการได้หลับนอนอย่างสุขอย่างสบาย นอนแบบไม่มีขอบไม่มีเขตนอนตามความอยากนี่คือเป็นรถที่ผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมจะเสอกันอยู่ถ้าอยากจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมก็ต้องสระรถเหล่านี้ไปพระพุทธเจ้าจึงทรงกาหนดวันธรรมสวรรขึ้นมา วันสละลดทั้งปวงไปนั้นเองให้สาธุชนได้เข้ามาในวัดมาบำเพ็ญมาสร้างรถแห่งธรรมด้วยการสละลดทั้งปวงไปคือมาถือศีลอุโบสถคือศีลแปดนี่เอสละการเสพลดของรูปเสียงกลิ่นรสผธทพะด้วยการอาราธนาศีลแต่ คือละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นรสทั้งปวงเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างรสแห่งธรรมถ้าเรายังเสพความสุขเหล่านี้อยู่ยังเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผัพระอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเสพรสแห่งธรรม ที่จะเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนี่เองนี่คือสิ่งที่ผู้ปรารถนาที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงจําเป็นที่จะต้องกระทํากันเพราะมันไม่ฉะนั้นแล้วก็จะไม่ได้สัมผัส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 ต่ไม่มีความอยากกลับคืนมาอีกแล้วนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ได้สัมผัสลดแห่งธรรมจำเป็นที่จะต้องสละความสุขสะละรสของทั้งปวงไปไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปถือศีลบวชกัน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 เวลาหินทับหญ้าไว้ในหญ้าก็ไม่สามารถงอกงามจเจริญขึ้นมาได้แต่เวลาที่เอาหินออกไปแล้วยกหินออกไปแล้วไม่นานพอได้รับน้ำได้น้ําค้างหญ้าก็จะงอกเอยขึ้นมาใหม่เพราะว่าการที่เอาหินไปทับหญ้านี้ไม่ได้ถอนรากถอนโคนของหญ้านั่นเองหญ้าก็เลยยังไม่ตาย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 อันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการทำตามความอยากที่จะดื่มโุราแล้วก็ถึงแม้จะเหุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็ยังที่จะมีความอยากที่จะดื่มแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องหามาดื่มเพราะทนกับความหุดหงิดลำคานทนกับความทุกข์ทรมานใจไม่ได้ที่เกิดจากความอยากดื่มสุรา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 ถือศีลของนักบวชอยู่แบบนักบวชแล้วก็ปฏิบัติแบบนักบวชจะอยู่ในในคราบไหนก็ได้จะอยู่แบบนักบวชเลยคือได้บวชเป็นพระเป็นภิกษุณีเป็นเป็นแม่ชีเลยหรือจะอยู่แบบคลาวาสญาติโยมแต่ไม่ได้ ดำานานกิจกรรมเหมือนคารวะญาติโยมทั่วไปเพราะจะใช้เวลาทั้งหมดมาให้กับการบำเพ็ญส ม, มถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาด้วยการสนับสนุนของศียงของนักบวชนี้จะไม่ทำกิจกรรมที่คารวสทำกันจะทำกิจกรรมของนักบวชก็คือ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 นี่คือมองให้เห็นทุกที่จะตามมาถ้าเราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขกับเราเพราะเขาไม่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนที่ถาวร น, นั่นเองเขาเป็นสิ่งชั่วคราวเท่านั้นอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ต้องมีวันหมดไปมีวันพัดพากจากกันไปพยายามพิจารณาอ น, นิจจัง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 บำเพ็ญสมถะภาวนาก็จะกลับคืนมารถแห่งธรรมก็จะกลับคืนมานี่คือขั้นตอนที่จะทำให้เราสามารถมีรถแห่งธรรมอยู่กับเราได้อย่างถาวรตลอดไปก็คือต้องเจริญวิปัสสนาเพื่อกาจัดความหลงความลืมนั่นเองเรามักจะลืมกันว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย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 อยู่ที่การความสามารถที่จะปะที่จะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะก็จะต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีทุกครั้งที่เห็นราบยศตัลเสญก็ต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีทุกครั้งที่เห็นรูปร่างหน้าตาของคนกค็ต้องเห็นเป็นอสุภะทันที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 เพิ่งกินมาเสร็จใหม่ๆพอเห็นอาจารย์อาจารย์ใหม่มานี่ก็อดไม่ได้ที่อยากจะกินอีกแล้ว <Yeah. S 1> แต่ถ้าคิดถึงเวลามันอยู่ในปากเวลามันอยู่ในท้องเวลาคลายมันออกมาเวลาอาเจียนมันออกมาหรือเวลาถ่ายมันออกมานี่ยังอยากจะรับประทานมันอยู่อนปานี่คือวิธีดับความอยากต่างๆด้วยวิปัสสนาภาวนา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 อระโสยะาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุธาปัจายโนจตารโอธรมมวาทานติอายุวันโนสุขัง ลถออไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านที่อยากจะถามปัญหาก็สามารถขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้นวตัตรการะคุณเจ้าครับคือก่อนหน้านี้ครับผม คือผมตั้งใจอะตั้งที่ตั้ีฐานว่าคือผมอะเหมือนมีความอยากกิเลสนะครับอยู่ในใจแล้วผมก็ไปถือศีลแปดที่วัดแล้วก็เหมือนเ อ, อรู้สึกว่าตัวที่ความอยากเนี่ยผมก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษแล้วผมก็ปฏิบัติได้สักสามเดือนแล้วผมก็ไปก็มีความอยากเกิดขึ้นในใจอีะครับมีกิเลสตัณหาอยู่ในใจเสร็จปุ๊บก็ก็เป็นรู้เป็นทุกข์จนร้องไห้เสียใจครับแล้วก็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 ความขี้เกียจนี่แหละเป็นอุปสรรคตัวสำคัญต่อการปฏิบัติต้องกำจัดมันอย่าทาตามมันถ้าทําตามมันแล้วก็จบมีอีกไหมขอถามครับอาจารย์ครับตอนนี้ยังสงสัยอีกเยอะอยู่ครับ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 ก็ใช่อย่าไปอย่าไปหลงอย่าไปสงสัยให้เชื่อกูบาอาจารย์ปฏิบัติไปเลยใช่ไหมครับท่านสอนให้ทำลายก็ทำไปครับผมแล้วก็ข้อสองครับบะหมี่มาม่านี้สามารถถวายพระได้ไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นกึ่งดิบและกึ่งสุกเพราะว่าตามพระวินัยคือท่านให้ถวายของที่สุกปรุงเสร็จใหม่ๆเพราะว่ามันจะเป็นการสนับสนุนพระให้ชันนิยมิการไหมครับ สันเรื่องพกพาขอเนรครตอนนี้สงสัยครับตอนนี้คื อ, อการถวายของนี่ถวายได้ทุกอย่างแต่ต้องมีการละเทศะมีขั้นตอนถ้าจะถวายให้พระฉันต้องถวายของสดของสําเร็จแล้วต้องต้องถ่ายเวลาที่ท่านบินดบาตหรือเวลาที่ท่านนั่งฉันอยู่ที่ศาลาส่วนอยากจะถวายของดิบเพื่อให้เก็บไว้ใช้ในวันที่ไม่มีคนมาทําบุญเรือ วันที่ไม่มีคนใส่บาตรก็ยังถวายได้แต่ต้องถวายเป็นของส่วนกลางไปสนกลา ง, งให้เก็บไว้ในกองลังไว้แล้ว<อ>เวลาวันไหนไม่มีอาหารก็ให้เด็กเอามาถวายม า, ม า, ม, า, ม, ามาต้มมาหุงมาถวายได้นนถวายได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีต้องมีการแยกการจัดแยกแยกะการถวายว่าจะถวายอย่างไรถ้าจะถวายให้พระฉันทันทีก็ต้องไปนอาหารสุก ส่วนอยากจะให้เก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าเกิดยิ่งเฉพาะวัดป่านี้บางทีจะมีแต่คนไปวันเสาร์วอาทิตย์วันธรรมดานี้จะไม่มีใครไปใส่บาตรอาหารบ้างวันก็ไม่มีสมัยอยู่บ้านตานี่บางทีนานๆจะเกิดขึ้นตะลั้งไม่มีอาหารก็เอาไอ้ปลากระป๋องกับไอ้เกียมยวใช่กระป๋องนี้มาคุกกัน <c oughs> แล้วก็เอานมคนนี่มาเป็นอ่ เป็นกิ้มน้ำกิมนักเข้าเหนียวเป็นของหวานไปแต่นานๆานจะได้กินอย่างนี้สักครั้งหนึ่งเพราะนานๆานที่บ้านตาจะไม่มีคนไปสักครั้งหนึ่งแต่ยุครากๆที่ไปอยู่ตอนนั้นคนยังไม่มากผมข้ออ่ต่อไปครับมีพี่ท่านหนึ่งท่านแนะนำมาว่าอยากให้ผมแนะนำอ่าหรือบอกอ่า ผูท้ที่อ่าคณะ ก, กรรมการวัดแต่ผมว่าจะผมไม่กล้าบอกแต่ผมว่าก็ตัดสินใจเอาเป็นคําถามมาถามมให้พี่เขาเขาบอกว่าให้คณะกรรมการบอกว่าก่อนที่จะไหวถวายอาหารอพระหรืออะไรเขาต้องตรวจสอบอ่าอาหารที่มีสารปนเปื้อ น, นแบบว่าเป็นอมีอะไรแบงกินเลียนแบบสังเคราะห์ใส่สารกันบูดอะไรประมาณนี้เพื่อว่าจะเป็นอ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 ฉันมังสาววิรมังเวลาเขาเดินบิธบาติเขาจะมีหนังสือหรือมีกระดาษคอยบอกแจกญาติโยม ว, ว่าวัด น, นี้ฉันแต่มังสาววิราชเนี่ยอั น, นี้มันก็ไม่ถูกกาลเทศะเพราะว่าฐานะของพระนี้ต้องแบบอยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายไม่เป็นภาระไม่เป็นเรื่องลำบากยากเย็นก่อผู้ที่สงเคราะห์ดูแลเข้าใจไหมรพระต้องยินดีตามมีตามเกิด ไม่ใช่เป็นคารวะที่สามารถจู้จี้จุกจิกได้ว่าจะเอาอย่างนั้นจะเอาอาหารที่เป็นปอดสารพิษอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของคารวะญาติโยมเป็นความคิดของคารวะญาติโย ม, ค, มความ <ใจ S 2> คามิดของพานี้ต้องยินดีตามมีตามเกิดครับรีได้สีแจงพี่เขาค ร, ครับผมแล้วคำถามต่อไปครับพอดีการถือศีลแปดนี้ต้องจาเป็นต้องปฏิบัต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 มันมีส่วนที่เหมือนและส่วนที่ไม่เหมือนคือการทำบุญนี่จะมีผลอยู่สองส่วนส่วนทางจิตใจคือความสุขใจอิ่มใจนี้ก็อยู่ที่กำลังของเราว่าเรามีเท่าไหร่เปรียบเทียบถ้าเราเป็นหนูเรากินข้าว ช, ช้อนเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้าเราเป็นช้างกินข้าวช้อนเดียวก็ไม่อิ่มถ้าเป็นคนจนนี้ทาบุญร้อยบาทก็มีความอิ่มใจสุขใจแล้ว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 แม่ชีการจะบวชเป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษุณีนี้ก็ไม่ต่างกันเพราะว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษุณีประเด็นอยู่ที่ว่าภาวนาหรือไม่ภาวนาถ้าบวชแล้วไม่ภาวนามามัวแต่เดินเรียรายขอขอเงินขอทองทําผ้าป่าทําอะไรงี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นแม่ชีแต่ไม่ไปเรียรายไม่ไปอะไรอยู่กับที่ ภาวนาจเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนามันก็บรรลุธรรมได้เนี่ยอย่างที่กอเขาสวนหลวงนี่ก็ไม่ได้เป็นแม่ชีเชื่อได้ซ้ำไปเธอเป็นเพียงอุบาสิกาเขาก็เชื่อกันว่าเธอก็ได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วคุณกอเขาสวนหลวงอยู่ที่ราชบุรีที่วัดยา น, นี้จะมีหุ่นขี้พึ่งของสุภาพสตรีสองท่าน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 ส่วนคนที่อยู่เป็นแม่ชีชุดแม่ชีก็คือคุณแม่แก้วคุณแม่แก้วนี้ก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นกับศิษย์ของหลวงตามหาปัวอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องปวดเป็นแบบไหนแม้แต่คาราวะาบางท่านก็บรรลุเป็นพระอาลัยได้ในสมัยพระพุทธการแต่เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีที่ยกเว้นเท่านั้นเองคือไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆสาหรับคาราวะาทุกคน แต่ถ้ามีบุญบารมีพร้อมมีปัญญาพร้อมที่จะเข้าถึงอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าได้ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้นะ mm hmm. การบวชนี้จะบวชในรูปแบบไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้บางท่านบวชถือศีลแปดศีลสิบอยู่ที่บ้านปฏิบัติก็บรรลุทำได้บางท่านบวชเป็นพระอยู่ในวัดแต่ไม่ภาวนาก็บรรลุไม่ได้ mm hmm.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 เขายิงการฆ่ากันบุนท้องถนนเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างนี้ท่านั้นเองเรอดใจของคนทุกวันนี้ร้อนเป็นไฟกันอยากจะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปพบคนนั้นคนนี้พอไม่ได้ไม่ได้ไปดังใจไม่ได้ไปได้เร็วดังใจอยากก็เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดการทำบาปฆ่ากันกันขึ้นมาเป็นเวรเป็นกรรมกันขึ้นมาเพราะว่าไม่มีสติ ถ้าขับรถไปเราพุโทโธรพุทธโทของเราไปเอะถึงเมื่อไหร่ก็ว่างกันไปไม่สนไม่สําคัญขอให้เราขับไปเรื่อยๆอแล้วก็พุทธโทรไปเรื่อยๆใครจะปาดหน้าก็ปล่อยก็ปาดไปใครก็จะตัดหน้าก็ปล่อยก็ตัดไปอพอถึงไฟแดงก็จอดใจเย็นๆพุโทโธไปพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็ไปถึงเองไปอย่างสบายดีกว่าไปอย่างสบายใจดีกว่าไปแบบร้อนใจ วิธีที่จะทำให้ใจสบายใจเย็นใจมีสติก็คือต้องมีการบริกรรมพุทโธไว้เรื่อยๆไว้คอยป้องกันความอยากต่างๆที่จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆและเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามต่อไปจากคุณเข็มจิตกับใจคนละส่วนกันใช่ไหมคะตัวรู้คือสติหรือเปล่าคะกราบขอความประจ่างจากพระอาจารย์คะ่ะ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 ถ้าเราอยู่กับส่วนที่รู้อย่างเดียวได้นี่เราก็จะสบายเพราะการรู้นี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรรู้เห็นอะไรก็รู้ใครชมก็รู้ว่าชมใครด่าก็รู้ว่าดา่าถ้าไม่ไปคิดว่าดีหรือชั่วมันก็ไม่มปปัญหาอะไรแต่พอใครเ็าชมแล้วก็ไปคิดว่าดีก็ดีอกดีใจพอใครเขาด่าก็ไปคิดว่าไม่ดีก็ไปโกรธไปแค้นไปมีเรื่องมีราวกันเห็น พยายามอย่าไปคิดให้สักแต่ว่ารู้รู้ว่าเขาดา่าเราแล้วรู้ว่าเขาชมเราแล้วชมแล้วมันก็จบด่าแล้วมันก็จบถ้าเรารู้เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรแต่พอเราเอามาคิดเอ้ยมันดา่าเราเนี่ยว่ะก็เกิดเรื่องขึ้นมาทันทีอย่างนียที่เรามาปฏิบัตินี่ก็เพื่อต้องการที่จะหยุดความคิดเลิกควบคุมความคิดให้ใจมีแต่หน้าที่รับรู้เป็นอย่างเดียวก็พอ แล้วใจจะได้ไม่ต้องไปมีเวรมีกรรมไม่ต้องไปมีทุกข์กับใครอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวสบายแสนสบายใจไม่ชอบชอบแก่งเท้าไปหาเซียนกันชอบหาเหามาใส่หัวกันด้วยความคิดปรุงแต่งของเรานี่แหละพะเราคิดไปในทางความหลงังั้นพยายามหยุดความคิดกันถ้าเรามีสติพุทธโธพุทธโธไปความคิดกี่มันก็จะค่อยๆหายไป พอมันหายเต็มที่มันก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเรียกว่าผู้รู้สักแต่วรู้ปรากฏขึ้นมาเวลาจิตสงบเต็มที่เวลาที่ความคิดปุงแต่งหยุดหยุดอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็จะเหลือแต่ผู้รู้ขึ้นมาสักแต่วรู้แล้วตรงนั้นจะเป็นที่อยู่ของความสุขทั้งหลายความสุข อ, อันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ารสแหง่งธรรมก็อยู่ตรงนั้นเองอยู่ที่ผู้รู้พยายามเรา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 คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมสนใจธรรมะมาสักพักใหญ่ๆและได้เริ่มภาวนามาระยะเวลาหนึ่งปัญหาที่คาใจคือ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 หมอก็ให้ยามาแล้วก็สั่งว่าให้กินยานี่3าเวลาสี่เวลาแต่คนไข้เอายามาแล้วก็ไม่กินยาเ mm. มื่อไม่กินยาโรคมันก็ไม่หายเราจะไปโทษใครโทษหมอหรือไปขอร้องหมอให้ช่วยหมอก็บอกว่าช่วยแล้วก็ให้ยามาแล้วคุณทำไมไม่กินยาที่หมอให้มาคุณฟุ้งซ่านคุณมีความอยากก็เพราะคุณหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ได้เพราะคุณไม่เจริญสติ คุณเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับรับรองได้ว่าความทุกข์ต่างๆจะหายไปความอยากต่างๆจะหายไปคุณไม่ยอมกินยาการเจริญสตินี้ก็คือก็เป็นการกินยาหมอก็สั่งคำชับแล้วว่าต้องกินตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยตื่นก็มาใกล้พุโทโธไปไม่ว่าจะทําอะไรทั้งวันก็พุโทโธควบคู่ไปกับการงานต่างๆที่เราทำํำถ้าทําอย่างนี้ได้แลรับรองได้ว่า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 ยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะถามว่าโหดร้ายไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งร้ายความเมตตาปาณีหรือไม่นี่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งคนที่คิดดอกแพงๆสูงๆนี่มันก็เรียกว่าโหดร้ายหน่อยไม่มีความเมตตามีความโลภมากอันนี้มันก็ก็อาจจะทำให้ไปเกิดในที่ไม่ดีได้ไปเป็นเปรตได้พวกที่เป็นมีความโลภมากมาก ไปทํำบาปทากรรมด้วยก็จะไปกลายเป็นเปรตได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังถ้าเราจะทําอาชีพนี้เราก็ต้องคิดถึงโฮ่ขเขาโฮออกเราเราก็ต้องคิดว่าราคาไหนที่มันเป็นราคาที่เหมาะสมเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์อย่าเอาแต่เราได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวแล้วเขาต้องน้ําตาตกในเขากู้เงินเราไปแล้วเขาไม่สามารถเอาเงินที่เราเขากู้ไปได้แล้วเราก็ยึดที่ดินยึด ยึด ห, หนาของเขาไปทั้งๆ ท, ที่ราคาที่ของที่ดินที่เรายึดมานี้มันมากกว่าเงินที่เขากู้เราไปอสิมันก็ต้องให้ความยุติธรรมให้มีความเมตตาสงสารต่อกันและกันต้องคิดถึงโขเขาโหวกเราในอนาคตถ้าเราตกในที่นั่งของเขาบ้างจะเป็นอย่างไรถ้าเราไปเจอคนเมตตาให้เรากู้เงินโดยไม่คิดดอกนี้เป็นอย่างไรหรือให้กู้แล้วไม่เอาคืนเลยเป็นอย่างไร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 ข้อแรกทำอย่างไรจรึงจะนอนหลับแล้วไม่ฝันคะเรื่องของความฝันนี้เป็นเรื่องที่เป็นอนัตตาก็ว่าได้คือเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับใจได้เวลาเรานอ น, อนหลับเพราะตอนนั้นเราไม่มีสติที่จะมาคอยควบคุมความคิดความคิดก็เกิดความฝันก็เกิดจากความคิดตรุงแต่ง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 ถ้าเราอยากจะนอนหลับฝันดีก็ให้คิดดีพูดดีทดําดีก็คือมีความเมตตานี่คนที่มีความเมตาตาท่านก็บอกว่าตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขเวลาหลับก็ไม่ฝันร้ายตายไปก็ไปสู่สุขตินี่คืออนิสง์ของการคิดดีพูดดีทดําดีถ้าฝึกฝึกสติทําใจให้รวมเป็นหนึ่งได้สั่งแต่ว่ารู้ได้เวลานอนก็จะฝันไม่มากฝันน้อย พอไม่ได้คิดมากนั่นเองข้อที่สองกลัวผีมากค่ะจะต้องทาอย่างไรดีคะเวลากลัวผีท่านก็บอกให้ราเล็กถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะ ใ, ใ้สวดมนต์ไปสวดอิติปิโสอย่าไปคิดถึงผีถ้าสวดไปหรือใช้พุทโธ ท, ท่องพุทโธไปก็ได้ถ้าใจอยู่กับพุทโธไปไม่ไปคิดถึงผีเดี๋ยวใจก็จะสงบ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 ฟังวิทยุหลวงตาท่านสอนให้ภาวนากับลมหายใจเข้าออกเอาพุโทโธกำกับคู่ไปด้วยมหาธรรมเองคือบังคับลมหายใจให้ช้าพุทจากเสียงเข้าโทลากเสียงออกและควบคุมแบบปกติสั้นๆตามหายใจเข้าออก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 เป็นแบบนี้คู่เดียวนั่งกับพื้นแต่เหมือนนั่งบนเก้าอี้สี่ขาแล้วตกใจสะดุง้งเหมือนจะตกเก้าอี้แต่ทั้งทั้งที่นั่งอยู่บนพื้นแบบนี้เรียกจิตรวมไหมครับและพูดโทรโรัวเร็วๆดีไหมครับจะได้จำเพื่อเข้าสมาธิจิตแบบนี้ในครั้งหน้าต่อไปครับก็ผูป้ปฏิบัติก็ต้องสังเกตดูอว่าทาวิธีไหนแล้วได้ผลดี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 ข่าวนี้มันเด้อมันไม่ยอมดูลมมันจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะต้องหยุดการดูลมไว้ชั่วข่าวแล้วก็หันมาใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนก็ได้นี่คือการปฏิบัติที่อาจจะต้องมีการอาปรับแผนบ้างเหมือนกับขับรถนี่ถ้าใช้เกียร์ธรรมดานี้มันต้องเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยๆขึ้นอยู่กับสภาพบนทองถนนว่ารถกําลังวิ่งเร็วหรือช้าถ้ารถวิ่งช้าไปใช้เกียร์สูงมันก็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 ไม่ผิดนะไม่ใช่โมแต่จะให้ปล่อยให้จิตเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่สนใจกับการกระทำของร่างกายผู้ปฏิบัตินี้ต้องรู้จักกาลเทศะรู้จักการใช้ใช้ใช้สติใช้ใจให้เหมาะกับอกาลเทศะถ้าเราขับรถอยู่นี่ถ้าเราโมแต่ไปพุโทโธให้จิตมันรวมเดี๋ยวก็ชนกันตายทั้งนั้นเออหมดคําถามค่ะหลวงพ่อเอ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 ท่นผู้ปฏิบัติก็อย่าเป็นเถ็นตรงนะอาจย์ <laughs> พอให้ปล่อยก็ปล่อยมันหมดเลยจานจ่วยก็ปล่อยมันนั้นมันแตกพังไปเลยมันต้องรู้ว่าเวลาไหนควรปล่อยเวลาไหนไม่ควรปล่อยแล้วควรปล่อยอย่างไหนถึงรดยก็ปล่อยเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตริจณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด